ดูง่ายยกก็ต้องหนักเท่ากันใครจะมานับถือไม่นับถือก็หนักเท่ากันเขานินทาก็เท่ากันไม่เห็นได้อะไรเช้หนเงสือโดยมีเข้าจน ใ, น ใ, นใจมันก็หนักเท่ากันถ้าจิตใจไม่เราไม่กระเเอเอนไปหาสิ่งเหล่านี้ทุกวันนีน จิตมันหดเข้ามาจนขนาดถึงเหมือนมาโลกนี้ไม่มีนู่นน่ะมันไม่มันเกี่ยวคัาถึงมีมันก็เป็นคนละสัดละส่วนมันไม่ยุ่งไม่เกี่ยวกันเพราะสัญญาเหมือนกันใช้ถึงประโยคน์บ้างเดี๋ยวนี้สัญญาก็โหดเข้ามาสังขารก็ไม่อยากคิดปยับปรุงอะไรถ้าถอนก็อ่อนคือรูปประคั น, นอ่อนเนี่ยเลย หมดเข้ามาหมดที่ทั้งหลายในโลกนี้เหมือนไม่มีเลยคิดไม่ออกไปยุ่งเพราะเรแต่รู้ดังน้นรู้ที่เด่นๆอยู่เกี่ยวกับเรื่องท่านดังขันก็รู้ว่าเป็นความรู้สมมุติใเนี่ยนะความรู้ที่เกี่ยวกับขันมันมีเพราะมันเกี่ยวโยงกันอยู่ความรู้แท้ๆคืออะไรนั่นนั่นนะ ความรู้ที่เป็นหลักธรรมชาติแท้เนื้อแท้เป็นยังไงนี่ใครจะไปรู้นะกินได้คลองมันถึงจะรู้พ้กินไม่คลองกินไม่ถึงมันก็ไม่รูนะ้วันนี้อ่อนขนาดนั้นคไม่ยงังเลงทรอะไรเลยเอาเรืไปเล่นกับสัตวเก่าไรไปชัว่วและวยอะไปเดียวไป่าวไป วันหนงวันหนงอยู่ลําพังคนเดียวทรงท่าทรงขังนนีพอเหมาะพอดีมันมีภาระเกี่ยวข้องกับเวลาตอลอดมันเหมือนยกสูงทั้งท่อนมันหนะักยกอันนั้นต่อยอันนี้ยกอันนั้นยกอันนี้ยกอัน น, น, น, น, นั้นอยู่ตลอดเป็นน่นคือภาระนันนะักไม่เดืดรนะิษณ์ มือเพื่อ น, นยิงแต่นับวันมามากมามากให้หนักเข้านะไม่หนักเข้าหนักเข้านักไม่เป็นท่านี่ผมฉลสุสองเรืองมากนะหนักเอากีเ่เล็กก็มาตีหัวพระหัวหนึ่งตีตั้งแต่หัวผมลงไปไม่มีความสะทุกสะทานไม่มีฮิริโอตตะปะจากธรรมที่สอนไว้เต็มหัว อ, อกนี่เลยอันนี้ดีมันฉลสุสองเรืองมาก อันนี้ก็ทำให้อ่อนได้อันหนึ่งค่อนอยางอย่างมากทีเดียวหมดกำลังจใจที่เดี๋ยแนะนำสั่งสอนมันเกิดประยุดอะไรสอนไปทำไมมันเลยอ่อนไปหมดถ้าจะคิดว่าอัดว่าทำก็ไม่ทราบคิดห้าอะไรนี่อันนึงแล้วกันแล้วก็ท่านเองก็นาบันจั เป็นไปดูแล้วมันมันมันเป็นยังไงพูดไม่ถูกนะหน้าวันมันจะดืด้านเข้าไปเรื่อยๆแซงหน้าแซงหลังไปจะไม่ฟังใครต่อใครมันจะเป็นไปนะพอเมื่อครูอาจารย์ร่วมาก็ยังมีครูบาอาจารย์พาทรงมาแล้วครูบาอาจารย์ก็คอ ย, อยล่อหลอกกันล่อหลอกกัน ตัวที่โง่โงมันแสดงตัวเป็นคนฉลาดเสือเอียงมีสีมันสำคัญนะมันอุจจ า, ากตาอย่างที่เคยกล่าวเสมอธรรมสัตตาหานี่ยโอ้ยเจ้าไม่ทราบธสัตตาอะไรจนเอื่มละอา อันนี้ก็พูดไม่ถูกนะเป็นนาไม่ว่าพระผู้ใหญ่ผู้น้อยตนไปด้วยกันหมดไม่ใช่ว่าสัตตหะต้เหตุผลกลุ่นกันหมดบางที่ถ้าวินัยก็เหมืสมควรไม่สมควรอยากไปไหนก็สัตหะไปไปไหนอ็สัตหะไปเอาสัตหะมาเป็นโล่บางหน้าก็ เ, เบิกทางให้ยี่หลีเหยียบย่ําตัวเองศนะาสนานี่นี่มันสําคัญครับ อย่างเมื่อเราเดินนีรร่อเราพเราดมาที่นี่งาถงถึงด้ยวยเช้าเองมาอย่างไรตอนแล้วหลุดถามดูว่าสัตว์หา ม, มาก็ไม่ทราบว่าสัตว์หามมาอะไรมาตั้งแตน่นีขน้ขนมพังขนมไผ่ที่ไหนห า, าถ้าผลไม้ <c oughs> ยังเป็นอย่าง และสัตหาอันทั้งวัดนาต่อไปนี่จะเป็นงั้นนะใครยากไปไหนก็ไปแล้วเอาสตาเอาอ่างออกอ่า ง, งทั้งทิ่งพระทั้งท่านอยู่พระประสงค์ของเจ้าท ร, ร, ร, รงกระเมตตาผ่อนผันให้เล็กน้อยเวลาจําเป็นไม่ปิดตายทีเดียวในพา ร, รษาที่มันเลยกลับเป็นช่องทางของโจรสเยาที่เหยียบย่าทำลายก็ทำยั้ไมนี่อันหนังนะ สำคัญแล้วเรื่องงานอย่างงานกระถิ่นกรถิ่ที่ถึงทำนั่นเป็นบ้าอะไรพระเนียนลุ่มาไม่ได้หน้าได้หลังอันนี้ก็ทําให้ผมคิดเหมือนกันเนี่ยผมมันเห็นวัตถุเหล่านี้เป็นของต้องการยิ่งกว่าการตปฏิบัติอิจฉาผลงานตามหลักธรรมวินัยของพระเลยอันนี้ก็สอให้เห็นความหยาบโลนของพระเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปด้วยความโลภลุ่ม มองว่ถูกถือว่าถูกเป็นของสําคัญนั่นมันมั น, ม, นมันเรื่องอาถรรพ์ีนายนี่อันนี้สะบงตัวเดียวนี่ผมเคยเยียมสะบงตัวเียวมันไม่ได้ถึงชั่วโมงผมเคยเยี่ยมนะถ้าผมไม่เคยเยียมผมก็ไม่พูดผมเยียมยีวันวันหนึ่งได้สามผืนยังไม่ค่าถ้าสี่ผืนมันมืดเนี่ผมเคยเยียมยีวนันคันเจ็ด พมะบงเงยบ็บไม่ถึงช่วโมงเสร็จหมดเลยมันภาระทุลังอะไรแห่กันมาหาอะไรโอยนี่ก็น่าที่เล่น่ะไม่ได้หน้าไม่ได้หลังอะไรเลยแห่กันมาแห่กันมาหาเหตุหาผลไม่ได้นี่ อ, อันหนึ่งเป็นความอยากของพระทำให้ชิดไปหมด แล้วไมคิดมันเป็นเล่าคิดจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเราคิดเวลาคิดคิดจริงๆพิจารณาจริงๆเหนอะไรหว่าภารนาแล้วก็เพ่นเลยอุอายการย์พาเนินมาภาวนาเป็นอันหนึ่งออกพรรษาที่อธิษฐานอยู่ครอบใจมากอธิษฐานวันเข้าพรรษากับวันเอี่ยมท่าน วันแรงข้ามหนึง่งโนนจะไปไหนมาไหนก็ค่อยไปอันนี้เพ่นมาแล้วตั้งแต่วันปวันนาเพ่นมาแล้วอันนี้ก็อีกเหตุสาเหตุอันนั้นจะเป็นอะไเป็นทางข้างในก็มีอะไรเรื่องมีปวันนานแล้วก็ภาวนาข้างหน้าข้างหลังอะไรอย่างนี้ก็เห็นดูด้วยกันทุกคนว่ามีกิจํารมเป็นที่จะต้องเป็นอย่างนั้นก็เป็นแต่ส่วน คูบาอาจารผ่านปฏิบัติมาเป็นหลักเป็นเกัวมหาคือครอบใจมาสามเดือนกระทั่งวันข้ามหนึ่งมันทถึงจะไปไหนมาไหนใครจะไปไหนมาไหนไปได้เป็นวันใหม่ตั้งแต่วันข้ามหนึ่งนี่รู้เห็นรู้เห็นนี่เห็นความเหลวไหลของพระต่อไปก็จะเห็นความเหลวแหละ นือไหลแล้วหายลื้อแหละผมยิ่งอ่อนลงทุ ว, วันทุก ว, วันยิ่งทำให้อีกหนาละอาจาียนต่อการแนะนำสั่งสอนเพื่อนเพราะผลดีไม่ค่อยภาคบัมีแต่ผลเสียผลเร็วมันทากันไปมนะันออกภาษาละอย่าให้ยุ่งให้หนักมากไนงะผมนั่นหนักจริงๆ ยิ่งเฒ่ายิ่งแก่เข้ามาเท่าไรภาระยิ่งหนักยิ่งมากยิ่งทับยิ่งถมลงไปามากปฏิบัติมันก็ไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรจริง จ, จังมันไม่ค่ยไม่เห็นจริงจัง เ, เรื่องสติปัญญาเนี่ยสําคัญมากฉันเด่นอยู่ตลอดเวลาหรือมันบกพร่องมองดูมองดู ก็เราไม่ตั้งใจที่จะยกโทษยก่อนเป็นผูเราเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้สอนเพื่อความรอบคอบอบอกคิดทุกด้านทุกทางเพราะมันบกกร่องตรงไหนประมมันจะไม่สะดุดตาเแล้วทําไมจะไม่สะดุดใจนี่ีสำคัญแล้วสิ่งของที่เกิดขึ้นมานั้นนะใครอยากตัดจะเกียกยอะไรก็ให้ตัดให้เยกกันนะ อยามาักขอผมผมเคยปฏิบัติยัยงไรครงคำหนึ่งเพื่อนผมก็ท่วมอยู่แล้วในกุฏิอังสามีกี่ตัวสวงมีกี่ตัวกวามีกี่ผืนเต็มอยู่ในกุฏินะกุฏิล้วนั้นเลยมีตั้งแต่สบงกีวานอังสาแลย่อมมีกี่วางของอย่างนีนใครต้องการจะยึดตัต้งแลวาการทำนะ อันบริการไหนควรจะแยกให้แตกกันก็ให้แยกให้แตกกันอันประจาย ก, ก็ดังที่เคยเห็นเคยเล่าให้ฟังแล้วกันส่วนที่เกี่ยวกับว่าผมก็แยกอย่างที่เคยเห็นผมให้เขาเพิ่มันชีมาให้ดูอยู่เสมอทางไหนบกข้องขัดึงผมเพิ่อมอยู่เรื่อยตลอดช่วยโลกก็ช่วยทางที่เห็นมนืโลกกับเราก็เป็นอะไรเราก็เป็นโลก คนไม่เป็นโลกอะไรจะเป็นโรคแต่ขเขาก็เป็นโลกเนเขาก็คนเราก็คนแม่ช่วยกันแ้่จะมีใครจะช่วยยิ่งเพศของพระด้วยแล้วเป็นยังไงพระพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนอยังไงเ้าพินาไปมีอะไรเป็นสิ่งตอบแทนกับโลกมีความโลภตัวไหนบ้างมาแสดงออกหน้าออกตาของพพุทธเจ้าให้เราทั้งหลายได้เห็นในตหลักตำรา มีแต่พระเมตตาสงสารลวนๆให้ให้ด้วยความสงสารการแนะนําสั่งสอนก็เต็มอัดเต็มาเต็มภูมิของศาสนาไม่หวังสิ่งตอบแทนมาจากใครเลยนี่ถ้าไม่มีเมตตาใครอยู่เนี่ยตาพระสงฆ์เคาะไม่ได้ใครจะสงฆ์ถ้าไม่กว้างขวางใครจะกว้างขวางนี่ทมาสั่งสมจิตเอาผ้าเหลืองคุมหัวแล้ว ว่าตัววิเศษอยู่ด้วยกิเลสตัวนน้าหนาน่นเหนือในความโลกความเห็นเก่ตัวมันหนาไมา่กิเลสเก็บไว้สั่งสมไว้ให้เต็มไปหมดจกนกระทั่งมันจะเปื่อยสวงกิวอนก็ดีวัตถุสิ่งของก็ดีจนจะเปื่อยนั่นเหนือมันดีแต่ปิจิตาเนี่ยว่างไงผู้ชอบสอนไม่ใช่มหิตสตาความมากๆ ถ้านเราไม่มักงน้อยใครจะมั่งน้อยถ้านเราสงูงเคราะโลกไม่ได้ใครจะสงูงเคราะนี้เราก็ช่วยกันไปแก้กันไปหวังอะไรนี่ บ, บริการแปดท่านี้เหมาะสมที่สุดเต็มยศของพระแล้วความเต็มยศของพระก็คือนี้ยังบริการแปดใช้ฉอยนะั้นดังนั้นมันก็เลือ้อเพื่ออย่างที่ผมพูดตะกี้นี้ถ้าอันชาพุเต็มปุตตินะสมมงกิวานเต็มปุตติเลือ้อเพื่อ ยังก็ช่วโรคอี่ว่านส่วนมากก็คนไข้บางทีคนไข้คือคนจนกรอบจนกรอบจนมุมชีวิตเป็นหม้กไม้กัหมอไอ้หมอไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ก้าไม่ออกคนไข้ก็หมดหวังไงเวลาเข้าไปสู่โรงพยาบาลไม่มีทิ่งของคนไข้ญาติคนไข้เข้าไปอ่าเหี่ยวหน้าแห้งเข้าไปาไปหวังพึ่งหมอบา้หม อ, ห ม, อมัพูดมัน ได้ฟังนี่ก็สรุสัมฤทธิเ์เหมือนกันนะผมผมจะไม่ช่วยเต็มที่บางอย่างจะไม่ให้เลยเมื่อแรงเหตุผลพร้อมที่จะให้แล้วก็อยู่ไม่ได้อีู่หลยก็ต้องได้ให้เนี่ยไปอย่างนั้นนะม้วความจําเป็นมันจำเป็นจริงๆเป็นอย่างรถเนี่ยใส่คนไข้ไปจะไปโรงพยาบาลใหญ่เพื่อจะไปรักษาเอารถไทตายจะกลางทางคนก็ไปตายจะกลางทางไม่ทันเหตุการณ์เนี่ยก็อย่างนั้นเลยถ้าไม่ต้องได้ช่วย เขารถพยาบาลเนรที่รีบที่ด่วนสวนมากมีแต่คนไข้เอามาก็รีบใส่ผู้ป้าก็รีบออกไปอรถไม่เป็นท่าแล้วก็ไปตายอยู่กลางทางแล้วคนเมื่อมันไม่ทันหมอทันเหตุการณ์ก็ตายแนคะ่ไหนอย่างนี้ก็ได้ช่วยอย่างที่ได้ช่วยมาแล้วก็เป็นอย่างนั้นมัช่วยแห่อย่างเดียวช่วยตลอดเวลาทั เจ้า ข, ของอย่างมันไม่เคยคิดว่าอะไรเป็นของเรานะไม่คช่จริงๆมันเพื่อนฟูงแนละ้วโลกแล้วความสุขความทุาขมาแล้วเป็นที่พอใจทุกวันนี้ผมอ่อนลงอ่อนลงนะมันเป็นยังไงอยู่ในในเหมือนกับว่ามันจะทอดอะไรตายอยากไปในลักษณะนั้น ให้มาหากรมเืนกับฐานะสูงต้องทนนันไม่ได้ว่าคนนั้นสูงคนนี้ต่ำนะอหินนี้มีน้ำหนักเท่าไหร่เลยก็อย่างนั้นเพราะนี่จะเป็นที่มีน้ำหนักจะต้องยกี่มาเกี่ยวข้องกับเราเวลามันอ่อนๆขนาดนั้นวางนี้ถึงจะช้อนก่อนเคยคิดเถิดเคยได้พูดหนุ่เพื่อนฟังอะร่อเจ้ า, งา<ข>องไม่เคยคิด ยกช้อนเท่านั้นรู้แล้ววันนี้ช้อนนี่หน่กนี่ฟังซิเพียงช้อนเท่านั้นมันก็รู้ว่าช้อนนี่หน่ะช้อนนี่เบายกบากขึ้นก็แทบทุกวันเปิดดูฟ้าบาตรนะมันมีอะไรอยู่ในนี้มันหนักมาบา๊บ า, บานั้นเนี่ยยกจะไปวินทุกบาทเขาดูทีนะ่ไหนกําลังมันมันอ่อนขนาดไหนมันถึงเป็นอย่างนั้ น, นก็คิดเอาห ม, ว, า ม, ว, า ม, ว, ามว่เวรก็ฟังเนาซิภาษาช้อนฟัง นหนักอะไรนี้จกขึ้นนู่แล้วจำขึ้นนู่แล้วอันนี้ก็ทําให้คิดเกี่ยวกับเรื่องความคิดอ่านของมู่เพื่อนเหมือนกันที่ผมว่าช้อนหนักช้อนหนักนี่เป็นเรื่องของผมผมพูดตามหลักความจริงที่หมู่เพื่อนมาเกี่ยวข้องกับผมนี่มีช้อนอะไรที่เข้ามามอในนี้แต่และถ้วยแล้วจานผมก็อูเหมือนกันนะช้อนไมันสาบช้อนหนักช้อนเบาคือช้อนม่ได้คิดได้อ่าน มันสับปนคนแล้วคนกันนี่ครูไม่ได้คิดถ้าคิดแล้วช้อนเบามีอยู่เยอะมันจะมีอยู่ในถ้วยนี้ช้อนหนักจะไม่มีเข้ามาเกี่ยวข้องแต่นี้มันก็ธรรมดาธรรมดาทั้งหนักทั้งเบามีเต็มในนี้แสดงว่าก็ไม่คิดไม่คิดเนี่ยแล้วนี่ได้ทําให้คิดเหมือนกันนะปัญญาคุณเรื่องอะไรอะไรจะเอาไปคิดอาหารไม่คิดไม่คิดนี่ เรื่องของปัญญาจะกข้ากิเลสมันต้องเพลกแสติปัญญามันต้องวิ่งผบผบวิ่งข้างนอกวิ่งข้างในยิ่งใกล้วิ่งไกลเพราะความเคยชินของความคิดความอา่านอันนี้มันไม่จิตเหตุนี้เราที่เราเคยมาแล้วเราถึงได้นํามาพูดนนะไม่ใช่เราดูแบบหลับหูหลับตาครูบาอาจารย์พูดอะไรนี่มันจะจับปับ๊บจับับพอพี่นี่พี่จริญแต่ไข่ควรหนักเบามากน้อยเรื่องราวอย่างนี้ มันจะคิดทันทีเลยแก้ไขทันทีเพราะเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยแท้ๆที่จะแก้ไขที่นี้เวลาเรามาพูดแล้วนี่ตึงไปทําไปแก้ไขมันต้องเห็นเกิดประโยชน์อะไรแน่เพราะมันไม่ใช่ปัญญาองค์ตัวเองเกิดขึ้นจากตัวเองมันบอกแล้วตึงไปคิดทํานี่เป็นประโยชน์อะไรมันมีความแยบคายเป็นของตัวอะไรมต้องไม่มีเลยดิแล้วเมื่อไม่พูดมันมันก็ไม่ได้คิดอีกแหละมันลาบากนะ เพราะผมไม่ได้ถือว่าเรานี้เป็นภาระสำหรับผมเองางไรนะักนะมันเกี่ยวข้องกับหมู่วั้นกับพูดพูดเล้วก็รางวางฉากอพูดแล้วมันเกี่ยวข้องกับหมู่ขั้วมีแง่ใดก็ต้องนำมาพูดนอนนี่ก็ไมาา่หลับนี่ ب, เป็นหยิบกลาคืนอนอนนั้นไม่ถึงชั่วโมง แล้วตื่นแล้วตื่นพยายามนอนแล้วหลับมันไม่ได้เรื่องเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนั้นแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นถึงเวลาแล้วนอนพอถึงเวลานั้นตื่นตื่นแล้วเลยแล้วเลยเพราะเคยฝึกเจ้าของใหม่ะเรื่องฝึกเด่นจริงๆผมไม่ใช่ผมกุยแล้วฝึกเจ้าของนี่เด่นมากทีเดียวเช่นนอนพอถึงเวลาแล้วนอนนอนด้วยความตั้งใจนอนตื่นด้วยความตั้งใจตื่นพอรู้สึกนี่ดีดผึงเลย ล้างหน้าล้างตากวกพวกยังทำหน้าที่อยูแต่มันจะงูกังวลลงเดินยังคงนี่จ ะ, จะกลับมานอนอีกนี่ผมไม่ระลึกไม่ได้เลยนะมันไม่สมกับที่พอตื่นแล้วดีดถึงไหยถ้ากลับมานอนอีก น, ะนี่กระลึกไม่ได้ว่าเราได้กลับมานอนอีกเมื่อไหร่ไม่เคยมีนั่นนี่แหละฝึ ฝึกจนชินตื่นก็นีเหมือนกับแม่เ น, นึงอตุ่นนาทานเนะถิอนอะไรกันเรื่องข้าววิเศษเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างในหัวใจจของการปึกการธ ร, รมาณเจ้าของบูวาจาร์ก็ช่วยเจ้าของก็คิดไม่ใช่จะคอยไปเอาจากท่านโดูแายเดียวเจ้าของก็คิดก็อ่านเจ้าของก็ฝวนฝ่ายเรื่องสติปัญญา ทุกด้านทุกทางที่จะได้ขึ้นมาจากวิสัยของเจ้าของเอาให้เต็มไม่เต็มหน่อยเพาเพรนั้นมันวิสัยความคิดคาอ่านนี้มันค่อยแตกกระจายไปแตกกระจายไปตั้งแต่ส่วนยากก็เข้าถึงความละเอียดได้ก็อียดได้ความรวดเร็วได้เนี่นนยพิจาร ไอ้ที่ทันอะไรก็ตัดไปนะเยอะยังไรก็ตับเยอะเป็นการเป็นเวลาปีที่แล้วมันนี่ดีเสียงไม่ค่อยไปทึ้คือ ค, อคมบนสลานเราอยู่กตินก็พอหูได้พักพักบ้างไม่ดี้ไม่ดิ้นตามเสียงเหล่าเนี่จนเกินไปนะถ้ามีสติระวังก็เป็นั้นมันก็เป็นผลดีขึ้นมานะ ทายมีสติก็เสียงบ้องเล้งบ้องเล้ยงยุง่ ง, งไปหมดมันพูดตามความจิงก็มันหดมันยน่นเข้ามาหมดไม่ทราบเป็นยัไงไม่อเอาไม่เล่นกับอะไรเลยคลองคาดคลองคาคลองขันนี่คลองดูดลมให้ใจไปเลย นั้งหมดเวา ล, ลาเมื่อไหร่ก็ที่เห น, น่อยหลวงพอไดพิจารณาแลจนเต็มภูมิแล้ววางนั่นเลยอจจะว่าบ้ า, าว่ากี่ก็ไม่เป็นเต็มภูมิว่างั่นเลยภูมิเมื่อเรามีเท่านี้ก็เต็มภูมิแล้วนั่นไม่สงสัยทางทางการอ่ามันเป็นอะไรนี่ถ้าสีดินน้ำลงไฟเนี่ยเขรู้ชัดชัดอยู่แล้ ว, วมันจะเป็นอะตีมันก็ลงสู่สภาพเดิของมันเเ็นียงว่ายังมีชีวิตอยู่ ถ้าปิดชอบอยู่ก็เอามาใช้ในส่วนใดที่ใช้ได้ตายังพอใช้ได้ก็าใช้ไปหูพอใช้ได้กวาใช้ไปมันบอกก็บวดไปจมูกยิ้มกา ย, ยานี่เหมือนกันมันเป็นเครื่องชใช้แต่ละอย่างอย่างทางเดินของจิตออกมาเท่านี้พอใช้แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็เสียได้เช่นเดียวกับเครื่องรถนั่นเองอ น, นั่นเสีย น, นี้เสียมื่งมากก็ก็เสียหลายอย่างก็ไปสุดท้ายไปไม่ได้ไง อันนี้มันก็เหมือนกันไม่เห็นผิดกันเลยพิจารณามันไม่ไม่มีอะไรสงสัยยังนด้กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบราบจริงจริงเลยไม่มีอะไรเลยอาศจธ ร, ร, รมามฉลาดของพระเจ้าทรงกวนขวายเองไม่มีใครบอกไปสอนอะไรเลยทรงรู้เองนี่เองยังไ ง, งสยามภู รงเป็นเองแต่ตามพท์นั้นคือขนขวายกับคนขวายเองไม่มีใครมาเนี้ยยิ่งมาเป็นเองผลก็เกิดมาเองเอาสาวว่าแก่หลา ย, ยา่ัยย ง, ยอองได้ยินได้ฟังด้สาวว่ากต้องนั่งดับกับฟังก่อนเนี้ยต า, างแล้วกว็ํำเนื่อย เ, เ, เรื่องเกิดเรื่องตายนี่ไม่หามันสะเทือนใจมากนะโอ้ทุเรียนจริงๆนะมันได้ดูเวลาดูตัวนี้แล้วโถจะไม่ใจหายได้ยังไงนตัวนี้ตัวเป็นตัวแทเวลามันกระเทือนถึงกันเนาเป็นไม่อยู่อ่ะ แต่ไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่จะต้องมาพูดให้ใครต่อใครฟังทุกแ้่ทุกมุมซึ่งไม่ใช่วิสัยไม่เกิดประโยชนส่วนได้ที่เกิดประยู่ก็เทนให้ฟังแล้นอะไรเป็นสาเหตุของมันไล่เข้าไปจนกระทั่งก็มันไม่หนีจากวิชาลังบุญเจ้าสอนไม่หนีอันั้นก็มีอันนั้นอันเดียร์ทันเวลาไล่เข้าไปมันเป็นอย่างยิ่งมันหดเข้าไปย่นเข้าไปเย่อนเข้าไปวัตจักรวัตจิต ตีตะล่ำเข้าไปตีเข้าไปด้วยสติปัญญามันก็ตีเข้าไปตีเข้าไปยื่อนเข้าไปเลื่นเข้าไปถ้าเข้าไปถึงตัวมันจนกระทั่งทำลายตัวของมันมันขาดสะบ้านออกไปหมดไม่มีอะไรเมื่อเป็นเงื่อนต่อเลยไม่ว่าอดีตที่เคยเป็นมาเท่าไหร่มันก็ไม่ต่ออนาคตจะอะไรจะเป็นอีกมันก็ไม่ต่อเวลามันต่อมันก็รู้อยู่นั นั่นที่เคยพูดอะไรในแคบเป็นบางวังน่ังมีคือว่าเวลามันจะตายมันเป็นความอะไรเสียดายก็ถูกกว่าแต่ไม่ใช่ไดาเรารแบบลงโล ก, โลกมันอะไรเสียดายอยู่ในอันในธรรมเราควรจะไม่ถึงจุดถึงขีดถึงแดนนะั้นมันจะไปซะก่อนเพราะจะไปค้างที่ไห น, นไก็ไม่ต้องการในหัวใจไม่ต้องการอาเลยที่จะไปค้างที่ไห น, นช่วงเวลามีเวลา นอกจากท่งให้ถึงจุดหมายปายทางโดยสมบูรณ์ใชเท่า น, านั่นนี่แหละที่มันทําให้วิโทผมก็เคยพูดกนหมู่เ่อนังมันวิโท ก, ก็บอกว่าวิตกวิโกที่ยางยังนี่นนถึงจิตก็อย่าขนาดไหนมันก็ยังเนี่ยมันก็บอกอาจารย์นี่แหละนี่แหละความรู้ฟังสิมันลู้อยูี่ย่ขนาดไหนมันก็ยังอย่างเนี่ยตายนี่จะไม่ไปถึงจุดที่ต้องการมันจะไปข้างจิตใ ด, ดจิตหนึ่ง คือได้คือดึงก็มันก็รู้อีกนะว่าไม่คร้งางอะหารทุ่งสี่สี่อันนี่ยมันก็เช็ดอะไรที่ไม่ยังไม่อยากตายพ อ, อนี่ชิ้นสุดบิ ม, มุดถึงที่แล้วเอาไปเถอะวางาั้นเลยกินอาไปกินพร้อมแล้วที่จะไปวางงั้นเลยนี่ยหลังจากนั้นมันแล้วมันก็ไม่เห็นจะได้ไม่เห็นนี่อะไรอะไร นอกจากจะมาเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนอย่างที่ผมเป็นโรคหัวใจถึงเก้าสิบเก้าเปเซ็นนี่ถ้ายาหมอนี่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ช่วยแล้วก็ไปยิงอ่ะเพราะมันชัดออกมากเป็นหนักเข้าเร็วเขา้าช่วยระยะสั้นเข้สั้นเก้ามันมันแสดงขึ้นมาไม่กี่ชัวงวง่วโมงแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมาทีไหมดเลยลมหายใจไมีเหลือไม่มีเหลือ หายไปหมดเลยเหลือแต่ความรู้บังคับความรู้ไว้ไม่้ออกเนี่ยถ้าถ้าถ้าปล่อยมันก็ออกเลยไปเลย ม, มันรู้กันขนาดนั้นอยู่ว่างไรแล้วจะเอาอะไรมาอวดล่ะมือมันเป็นหนึ่ ง, เ, งเห็นจิตท่านอย่างนั้นแล้วที่อยู่ในวิสัยพอที่จะบังคับได้กับบังคับคือจิตเวลานั้นอยู่ในวิสัยที่จะบังคับได้ยังให้ออกเพราะจิตนี่เป็นเรื่องใหญ่ของอาการทั้งหลายมีลมหายใจเป็นต้นไงเมื่ออันบางคับมีไว้ เออไม่นานนั่งรู้ไม่ใจก็ค่อยแผ่วเบามีมามันก็รู้จะชัดเลยที่เวลาน้้งหนักกว่านั้นทําไงเมื่อแต่พพุทธเจ้าก่อนนี้ผ่านฟังดิเมื่อหนักกว่านี้แล้วจะรั้งอะไรได้ไหมนอกจากปล่อยเท่านั้น น, น, นี่มันรู้อย่างนั้นการปฏิบัติมันชัดอย่างนั้นเดิไม่จะสงสัยอะไรพูกระสาทุไม่ทวลทูนถามพระพุทธเจ้า ภาษาพวกหลายท่านทุนท่านถามท่าทําไมความจริงอันเดียวกันนี่นะ่ะขอให้เจอก็ไปธนาว่างั้นเลยนะจะไปรู้แบบไหนอีกนะ่ะว่าจะเอานะนําแบบไหนมาพูดนะ่ะถ้าไม่พูดแบบเดียวกันเพราะรู้แบบเดียวกันนี่นะ่ะ <c oughs> เป็ น, นงานนั่นเลยมันมีมันก็มีเกี่ยวข้องกับอู่กับคณะไป ที่ดเกี่ยวเรื่องกัเกบเจ้าของมันไม่มีไปเมื่อไหร่ก็พร้อมแล้วไปก็อยู่ไม่เห็นมีอะไรแตกกันเลยแนมะ่มันก็รู้จักชันแต่น้ําหนักมันก็เท่ากันอยู่ก็ดูแต่นับดินท่าอากาศอะไรมันก็มืบแค่เดี๋วนี้นับเขาอะไรแล้วนีเ่เขาว่าเขามีไหมเหรอเขาไม่ว่าเขามีเขาเป็นแค่เขาให้ความหมายเขาตั้งหากความหมายหยุดยึดที่อย่างนี้ฉะนั้นอันนี้ก็ไม่มีความหมายเหมือนกันเพราะเขามีความหมายในตัวของเขาอยู่แล้ว น้ำหน้าหินฟ้ากาดแม่ท่าต่างๆที่มีอยู่ในแดนดุกษาเดียวสมมุติสมุนนี่จะกินเอาไปเดียวไปเกาะแต่ให้ความหมายดีชั่วต่างๆด้วยความหยงต้นนะถ้านี้จะรู้แสดงถึงไปหมายก็หมายด้วยความรู้มันก็ไม่ผิดมันไม่หลงนี่หมายด้วยความรู้แต่หมายว่านั่นเป็นนั้นันี้เป็นนี่แล้วเป็นขันเป็นหมายใช้เฉยๆไม่ใช่หมายติดหมายพันหมายเป็นปุถุพทานอะไร แต่ไม่ใช่เถอมื่อไม่ใช่แล้วกมันก็ถอยออมาก็เหมือนกับสิ่งนั้นไม่มีเรา ม, มีอะไรนับเขาอยู่อะไรตามไปแล้วจะร่มจมงไงปัจจุบันนี้เป็นยางไนไม่รู้อยู่อีกแล้วเนี่ยมันมีการฐานที่เริ่มเวลาที่เข้ามาเกี่ยวกับหัวใจตรงนี้นะ่ะแน่มันก็ชัดเอง ม, มีดีมีชั่วที่ตรงไหนน่ะ่ะที่มันอยู่ในแดนสมมตินี่ อันนี้ไม่ใช่แดนสมมูติ์มันเห็นจะทัดยังไงมันอะไรนะั่นรู้อยู่นั่นแนหะพูดไม่พูดมันก็รู้อยู่นั้นนั่นที่ฉันที่กโกเหมือนกับความกังวลในหัวใจตรงนี้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจฝึกฝนอยู่เลยยังไงก็เป็นไปได้อย่างที่ว่านี่นี่จะได้เห็นคุณค่าของการตะเกาะความเท่าเทียม การแบกบการหามาการตะเกียบอากาของเจ้าของนี้เราพูดได้เต็มปากแลยเรลืมไม่ได้ว่ามั้นผมนี่หนักขนาดนั้นนะความเปลี่ยนแต่มันถ้ามันไม่มีอะไรหนึ่งพอเป็นเครื่องชักเครื่องชูนุ่มเหมือนกับว่าเป็นอุโมงค์สายอยู่บ้างมันจะบืนไปได้อย่างไรอันนี้มันไม่ถอยทุก้ากลำบากขนาดนั้นมันก็ไม่ถอยเบือนที่ดูที่อย่างติดเสื่อมอเจริญไปแล้วเฉลิมเฉลิมไปเรื่อยเป็นไฟในหัวใจนะ แทนทีน่จะอ่นานใจน่ะปล่อยทิ้งซะแล้สืบประวัติกว่าอย่างนี้นะมึงนั้นไม่ไมีนี่จ ะ, จะเอาท่านเดียวอ้ามเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมธนาวะนู่นน่ะนี่จะอ้ามึงเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมธนาวะมึงจะเอามึงให้หลงอยู่ในเงื่อนงำจนได้ ล, ละเนี่ยมันคงจะมีนิสัยอันหนึ่งอยู่มันถึงให้เหนียวแน่นอจริงๆแล้ะสุดท่านก็ผ่านมาได้ทางที่ว่าเนยะเรื่องความเพียรนี่เราหนักจริงๆนี่ย โอ้หนักหนักมากจริงๆจนลืมไม่ได้นะไม่ว่าจะเป็นท่าใดมันไม่มีท่าเบานะถ้าจะว่าเบาก็มีเดินพอเดินผมไม่เคยได้เดินตลอดลุ่งนะนานๆสัก5าชั่วโมงหกชั่วโมงเท่านั้นอันนี้ไม่เด่นในความเมื่อยความเพียจากการเดินแต่นั่งนี้เด่นมาก นั่งแบบห้ำหุ้มขามความทุกข์กนี่เด่นมากทีเดยเหมือนกระดูกทุกท่อนมันจะพังกันเลยถ้าไม่มีหนังห่มหนังหอยแล้วรู้ว่าจะพังออกมาหมดเจ็บขนาดนั้นปวดขนาดนั้นมันระบบหมดในร่างกายของเราเวลา น, นั่ง น, นะแต่สําคัญที่คําว่าไม่ถอยนี่มันมีอำนาจมากกว่านี้ดีเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ถอย นะแต่มันจะล้มลงไปนี่ถ้าถ้าจะเถอะจะตีแล้วมันล้มไปได้สติจะลุกขึ้นมานั่งทันทีจะไม่มีถอยนะมันเด็ดในเวลามันเด็ดจริงๆความช่วยตัวเองมันก็มาเพราะมีที่พึ่งก่อนแรกก็อากินมาจังนีจะหวังช่วยไข่จะหวังให้ไข่ช่วยสิปัญญามีเท่าไหร่ก็ทุ่มลงทุ่มลงสุดท้ายมันก็ได้เหงื่อนนะที อย่างที่ว่าสายทรามเป็นของจรงิงอ๋อจริงอย่างนี้ถเถอะหรอเน่ยใครมาบอกเราวะท่านเนรท่านบอกไว้ในปตยยิญาน่ะทุกครังจะจังทุกเป็นของจรงิงหนาสมุท ร, ร, รยเนตท่านสมุทรไยก็เป็นของจรงิงของจริงนั่นมันจริงยังไงอันนี้จริงด้วยความจําที่ว่ามาเนี่น่ะจริงด้วยความจรงิงจริงยังไงน่ามีเสียเหมือนั้นฟาดกกันเต็มที่จนฐานหาทางไปไม่ได้แล้วมันก็มีทางสู้นั่นแหละท้าอัตาก็ตายมาดิเศวได้กิน ยิ่งกว่าอยากทราบความจริงอ้าทุกสหายหรือไม่หาไม่สนใจกับทุกสหายหรือไม่สนใจในความจริงอ้าอะไรจะไปก่อนไปหลังสมมติว่าตาเอ้าอะไรจะดับก่อนดับหลังมันรู้ก่อนนั่นสนใจความจริงนี่มันหนักในความจริงนี่มันก็รู้กันมากระลกขึ้นมาก็อัศาจรรย์เหมือนกันนะทั้งๆที่อวิชามีอยู่นะาารรมันอัศจรรย์เต็มที่เหมือนกันจับเหมือนก็บนี่แหละที่ว่าถ้ามันเป็น สัจจะที่เป็นอริยสัจแล้วมันไม่ลืมดืมไม่ได้嘛มันถังเลือกเหมือนกับความีพ่วงหัวใจอ๋อท่านว่าทุกเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองทั้งมือไทยเป็นของจริงเป็นอย่างนี้เองอะไรๆเป็นของกินนะอริยสัจทั้งสี่เป็นของกินอ๋จริงอย่างนี้เองอย่างนี้เองนะ่ะใครมาบอกละเวลามันเข้าถึงกันจริงๆแล้วมันรู้เองท่านบอกสันติตโกรประกาศไว้หรือมอบไว้แล้ ว, ลวกับผู้ปฏิบัต กระทุกมากแต่มันก็ไม่ลืมนะควมอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความทุกมากนั้นอัศจรรย์จริงๆแล้วมันได้ ท, ทุกทุกทุกครั้งทุกคืนด้วยนะไม่เคยมีภาดเลยเพราะมันเอาจิงเองจังเอาเป็นตาเข้าว่ากันจรสัจระจักก็ต้องแสดงขึ้นมาเต็มพูนนี่ก็ทุก ดีว่าภาษาเนี่ยเป็นภาษาที่ทุกทั้งทางกายทั้งจิตใจใจก็ทรมานกันอย่างหนักเพราะเครียดแช่นมาตั้งแต่มันเสื่อมมันก็ขึ้นบนเอกระพองมันชัางขอกันหน่ำลงเลยเนี่ยความเครียดแช่นั่นเนี่ยเป็นหนักยาเข้าใจว่าจะมีซึจนจะเรื่องของสมุทรไทยสมุทรยอย่างเดียว ความอยากให้ทุกขายนั่นแหละคือสมุทรไทยความอยากรู้ความจริงนั่นแหละคือมากหน่อยไม่ไม่เป็นมากมันจะรู้ได้นี่ยความจริงไม่รู้ได้จริงจเนี่เราอยากทราบแต่ความจริงออะไรจะขาดจะตกจะพังอ่าพังไม่สนใจกับสิ่งนี้จะสนใจก็ให้รู้มันความจริงอะไรจะตายก่อนตายหลังนะี่นั่นตายความจริงแล้วไม่มีทางไปหมุนมันสู้กันใหญ่เลย เวลาทุกข์นี้มากเท่าไหร่นีสติปัญญานี่โอ้โหเป็นธรรมจักรเลยนะมันเป็นเองของมันมันสู้เหมือนกับน้ำมัวเข้าวงในนะเป็นอย่างนั้นมองไม่ทันนะน้ำมัวเข้าวงใ น, นอันนี้สติปัญญากับทุกข์กับสมุทัยที่มันฟัดกันนก็มองไม่ทันเหมือนกันสุดท้ายก็ได้ความจริงขึ้นมาเต็มหัวใจนานพอได้ครั้งหนึ่งแล้วเท่านั้นเป็นพยานหลังหังดึกนะ วันต่อไปมันจะไม่เป็นมันก็ไม่ถอยมันเคยเป็นแล้วมันจะไปไหนวะเนี่ยชูท่านก็เป็นจะจะไปฆ่าไม่ได้นะจะให้เป็นอย่างที่เคยเป็นมาแล้วอย่างนั้นนี่เอาพิจารณาอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันพิจารณาอย่างนั้นเป็นนี้จะไปเอายึดอนั้นมามาปฏิบัติในวงปัจจุบันไม่ได้นามันเป็นสัญญาลมไปแล้วน่ะต้องให้ขึ้นในปัจจุบันหาใหม่พูดง่ายๆว่างั้นเลยสติปัญญาหาใหม่แม้มันจะกรงกับของเก่าก็ตามแต่เป็นเรื่องที่ขึ้นมาสอยๆนั่นก็ก็เป็น ข้องหาใหม่งั้นทุกพูดถึงเรื่องนั่นก็ทุกเดินก็ทุกอันนั้นอันหนึนน่งก็คืออันอดอาหารนีโอ้มากจรท้องผมมี่เสียตั้งแต่ท่าน30นะปัญหาปัญหาเก็ดปัญหาแตกก็เริ่มอะไรเนี่ย เริ่มฟัดไปแล้วเดืนพันศาเจ็ดไปแล่ะอาหารนอดอาหารนะพันศาแปดพันศาเก้ า, ารเรื่อยเข้าไปเรื่อยเข้าไปละทีพองวันที่สิบท้องเสียถ่ายไม่ทอยเลยไม่สนใจกับท้องเป็นยังไง ยิ่งกว่าสนจะจะฆ่าีิเลสพอการอาช่งหกชั้นทั้งหล่ถ่ายหมดชั้นทั้งหลาชั้นลไปถ่ายหมดเลยอดไม่มากกระตานนักนไมหลายวันกระตานเพียงสี่ห้าวันเดียวเวลาอดมันเขมีอะไรมาถ่ายหนิมันเอาอะไรมาถ่ายพอชั้นงไปนั้นหมดชั้นอะไรปนั้นหมด มัน เ, เป็นอย่างนั้นเรื่อยมาเรื่อยมาเลยนะอยู่ในมากร่วมช่วยยานี้แล้วยาที่เขาให้มันทุกวันนี้ก็ดีนะเขาก็บอกว่ายานี้ไม่มีอะไรแล้วฉันงาไไนแต่แต่ก็ไม่เป็นไรแต่ไงก็ต้องหายเขาว่ามันเมื่ฉันไปนางานก็หายก็เป็นหนึ่นงนะสงบเนี่ยทุกวันนี้เหมือนไม่มีนะอัศบายนแต่มันมไม่หาจริง แล้วก็รู้ช่างมันไม่กี่ปีกี่เดือนมันก็ตายแล้วไปนั่นเชื้ออันนี้อันหนึ่งมันเป็นทุกข์มากเด่นเอามากทีการนั่งมากหนึ่งการอดอาหารยังเด่นมากความทุกข์ในส่วนที่บังคับกิจมันเหมือนกับผู้จำหาเหมือนกับนักโทษเนจํานี่ก็เอาอีกแหละ น, นี่อันหนึ่ง บี บ, บังคับเป็นอย่างนั้นอือแต่ว่ามันจะไม่ทุกข์หรือขั้นละเอียดมันก็ยังที่เคยพูดในบางขั้นละเอียดของกิดขั้นละเอียดของธรรมของกิจปัญญามันก็ทุกข์ไปแบบหนึ่งแบบละเอียดแบบไม่ถอยโดยจตุนติอันนี้มันก็ทุกข์ทุกอีกแบบหนึ่งแลทุกแบบที่เราไม่คาดไม่ฝันความคาดความ หมายเอาไว้กับความจริตมันไม่ได้เข้ากันได้เวลาจีตมีความสงบเยือกเย็นละเอียดก็อะไรย่างการทําความภาคเพลินใจก็ดีก็จะสบายแต่ค่อยสบายค่อยสบายเลยวันเวลาจเจอความจริงมาแล้วมันไม่ได้สบายละเอียดก็เกีย้ยวจิตแต่ที่ความละเอียดเท่านั้นมันไม่พอกับความต้องการนอกจากมันดูดพ้นจากผู้ประเหตุเทนั้นนาน เพราะฉะนั้นมันก็ต้องหมุนติ้วสิเพื่อความบดทพนันก็โตกหมุนติวต้วติ้วนี่ก็เป็นทุกข์อันนาง่งแต่มันไม่ได้เป็นอารมณ์นักนะอันนี้นะไม่เหมือนไม่ได้เป็นสิ่งที่ฝังใจมากนั่งเหมือนที่ว่าเหมือนการนั่งหน้า ก, กับการอดาหารเพอันนี้มันเป็นด้วยหลักธรรมชาติเหมมันมันหมุนของมันไม่ได้มีบงังคับบัญชา นอกจากร่างเอาไว้ยังไงสิ่นี้ก็สดๆร้อนๆอยู่ในหัวใจของทุกคนทุกสมุทัยสดๆร้อนๆจันใดนีน่ ร, กกร้อนมากก็สดๆร้อนเหมือนกันถ้านำมามใช้ถ้าไม่ใช้ก็ให้มันเน่าเสื่ อ, อนั่นแหละนี่ร้อนกับมักมีแต่สมุทัยเหยียบมันแหละกินแล้วถ่ายออกถ่ายออกมจะเป็นมดุดเป็นขูดมดนี่ร้อกับมัก ไม่ได้เป็นนับเป็นผลอะไรขึ้นมาป่วยเยือมันกินมันถ่นันพวกเราบนยืนวกอยานนี้ที่ดูที่ภนษาที่ผมไม่ได้เทเลยเพราะอะไรความมันอ่อนได้หมดแล้วสำคัญเรื่องการ พ อ, อการสร้างนี้ยอั น, นังเป็นค่าจุดตอบางด้านิตตะกอนหนามากแต่กรรมฐ า, านเราชอบสนใจกับสิ่ง น, นี้นี่ที่อันหนึงทำให้เห็นจะชักหนักไม่ฝืนเลยแสดงว่าความหนักนี้ในภาวนาไม่ได้มีมากจิตมันยังจะเหลื อ, ลอแต่ไหลออกไปเพื่อแก้ความนําคานคือการทํานั่งทำนี้เราแก้ความาําคาน ม, มันเพิ่มความนําคานไม่ได้ทําไม่ได้ไห น, น คิดมันมีความหนักแน่นทางด้านภาวนาอะไรจะมายุ่งมันวะก่อนนี้ก็เคยทํามาแล้วนี่ไม่มีอะไรมายุ่งได้นะนี่กไม่เคยก่อสร้างที่ไหนตั้งจะออกปฏิบัติมาไม่เอาเลยทางนี้นั่นก็คือไม่ให้มีอะไรมายุ่งกับการค่ากิเลสเอาให้มีแต่การฆ่าเหยู่อนั้นแล้วที่ไหนเด็ดหาที่นั่นเนี่ยไม่ได้ทาที่ธรรมาดาต้องพลิกอยู่เลยดูเจ้าของดูใจเจ้าของอยู่ย ถ้ารู้จักรู้ว่าใจมันทักเฉยๆเมยๆมแล้วนี่แหน่มันพีกก่านั้นเลยมันรู้แล้นี่พีปั๊บเอาเปลี่ยนอุบายวิธีใหม่สถานที่ใหม่เพีกายอยู่แล้วของมือนั้นเป็นกระทั่งจิตมันมันดีดมันดิ้นมันระวังตัวเพื่อทางถูกเรียกว่าผลผลบวกขางนั้นเถอะแล้วก็เพลินประกบนนะ <S <S อบพนเพรามันมีลักษณะเฉยๆเมย ๆ, ๆมันจะเป็นประทางที่ดีกแล้วนะ นี่มันเรื่องอะไรนี่คลิกมุเลยหาเรื่องสมานนั่หาเรื่องที่เปลี่ยนเป็นอะไรไปต้องไปเรื่องหาเรื่องจะทาได้ทำหาเรื่องจะหไม่ได้เหรอมันคลิกของมันเองเพราะไม่มีใครบอกเลยมันนัดเปอยู่ในัให่คลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายชั้นหลายคมคลิกคลิเ้เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนเรยเวลาภาวนาจึงไม่อยู่ในที่ใดงานมากนะ ก็เพราะอันนี้เองมันบอกมันบางคำในตัวให้พลิกให้เปลี่ยนพลิกเได้อยอุบาวิธิการเรื่องการก่อการสร้างคำนั้นมีแม่อะไรมายุ่งจริงนั่นะมันขาดตัวไปเล ย, ยนี้แต่เรื่องข้าศึกเด็ดอย่างเดียว ส่วนที่เดือด่าเราก็ไม่ต้องพูดเลยมันค่าเราเวลาแล้วนี่ที่นี่เราจะค่ามันมันทุกข์มากมันที่เดือดมันกำลังมันมากทําให้เราทุกข์มากมันมันเดือดจงเรื่องความทุกข์ในการประกอบความภาคเปลี่นของนิสัยวาสนาเรามันยากจะทําเป็นเหมือนธรรมดานี่ไม่ได้นะผมนะนีื่องอะไมันไม่ได้ก็บอกว่าไม่ได้ มันต้องมีลักษณะผาดผลนอยู่ในตัวของมันแหละไม่มากก็น้อยมันนักมีอยู่ในตัวของมันมีลักษณะปัดผ่าผุนนโผลอยู่ในนั่นแม้แต่สติปัญญาที่มันออกก้าวเดินนี้เหมือนกันมันก็มีผ่านีโผลอยู่ในตัวของมันแต่ว่าจะอุบายวิธีการประกอบความเปลี่นธรรมดาทั่วไปนี้เลยที่จะผาดผลนอะ่อื่นมันก็ผ่ามันก็ผล่ในมัน โอ้มันทุกข์จริงกิเลสเหยียบหัวก็ทุกข์ถ้เหยียบหัวกิเลสมันก็ทุกข์เนี่ยมันสองด้านนะกิเลดเหยียบหัวใจเรามันก็ทุกข์แล้วเราจะเหยียบหัวกิเลสมันก็ทุกข์อีกมันทั้งสองด้านเอาจนมันม้วนเสีนงไปไม่มีกิ เ, เลสอะไรเหลือเลยนั่นแนะ่ะที่นี้่อารมณ์มาสู่ไม่ต้องถามถามทําไมถามพุทธเจ้ามันมีอยู่กับทุกคนที่เปิดขึ้นไป ลงให้ถึงคุดลงให้ถึงแล้วมีอยู่กับทุกคนทำอะไรอ๋ออย่างนี้เองเนี่ยก็เหมือนกันก็ว่าอ๋อคำว่าสัจธรรมกินกินอย่างนี้เองเนี่ยมันก็เหมือนกันนี่แหละภาคนจำภานคิดบ้างไหมเอางั่งสัตตาหานะโว้ยผมทุเรีดนะ่ะทุกวันนี้นะแต่ท่ากรรมฐ า, านสัตตาหะทั่วบ้านทั่วเมือง นี่ขาพ้นไม่ได้เลยแสดงว่าไม่มีหลักมีเจไม่มีทำมีในยิ่งกว่าความอากความทะเยอทะยานความเป็นบ้ า, าของก็คือเรื่องของจิตตาให้เป็นบ้านนั่นเองนี่มันอันนี้มันเด่นมากนะอาษาเหมือนไม่ได้เข้าภาษาเยกโผนั้นเดี๋ยวโผท่นนรตรงนี้ออะไรความอจากนะหลักทำและไมมีอยู่ไม่คทำเลย คนเราไม่มีขอบเขตไม่มีเหตุมีผลมีเครื่องบังคับตัวแล้วก็ไม่ทราบจะเอาความอยู่คน ม, มาจากไหนนี่เรียกว่าปล่อยตามเรื่องอัไนอังมีแต่พราสัตานี่ท้ า, า, นนาผมาได้ เ, ออเป็นล ห, หน้า เหลวไหลเป็นอย่างนี้เราวไปเร็วไปเร็วไปเรียวไปเนมันเพื่อเพื่อเพื่อนั่นะเพื่อสักการูุญสังขันติเลยนะเพื่ออะไรนะมันเร็วไปเพื่ออันนี้นะจัมชั่งบัติภาษาวัตถุปัจจัยอย่างน้นั่นก็มีจนโลกกินมังสาร ก็ไม่ใช่สติปัญหาเราเสื้อผ้าแล้วก็นุ่มของนี่แน้แต่สมรูจะเกิดมาจนปั่นอาหารกลางคืนของกินนี่ถึงจะวันเกิดมาเฮ้ยมันน่ตื่นเต้นหรือว่าเงินทองนึกว่ากระดาษนะเต็มในห่อกระดาษบนอยากอะไรมันก็เหมือนกันถ้าสมมติว่าเป็นเงินเป็นทองหรือเป็นบ้าก็เป็นเนี่ยยังไงมันหลงก็รู้กันอยู่นี่สมมติขึ้นมา มันเป็นยังงมันเป็นบ้าอะไรอมันโอ้มันโง่ขนาดนี้มนนนเรานี่ ม, นมันพูดเต้นหัวใจรู้สอาจจะว่าบ้ า, าก็เราขอเป็นบ้าเป็นเต็มภูมิถ้ามันจะเป็นอีกเพราะการพูดอย่างนี้นะอืมกด ไ, ไม่สมุดใจรว่างนะไม่ว่าส ม, มุดตื่นบ้างงอะเพราะหมดความมิยมทั้งนั้นแม้จะเป็นมวนบุหรีส่สูมันก็จะสูงไม่ได้มันเหม็นเขียจะตายแต่เมื่ เอาไปกินน้ำพริกดูนี่ได้ไหมันไม่เสียดีสวยนั่นมันเป็บ้าเกันยามีมาล้างกระดาษถ้ามาเป็นเหรียญเป็นเงินจริงๆมันก็แร่ธาตุเหมนกันมันก็เต็มไปแผ่นดินอันอื่นอย่างชนิดอืนมันก็แร่ท่าเหมือนกันแร่าตุชนิต่างมันมีอะไรผิดกันแล้วมันเป็นบ้าปหาอะไรอีกเนี่นี่ที่มันทั้งขึ้นทั้งหล่ออยพวกเรา นี่แหะสกัลลุภุญสังขติก็พวกนี้แ่ะเป็นุสางขตินะฆ่าพระโง่เราอันนี้อะ่าเน้น่ด้าเลยคนตาบอดก็เป็นอย่างน่งเนี่คนตาดีเห็นกระดาตน่เป็นงินเป็นทองอะไรไม่ก็แล้วท่าหนึ่งเท่านั้นเองไม่เห็นอย่างไรเพราเคยพบเคยเห็น มันมาตั้งแต่วันเกิดอีกเช่นเดียวกันไม่ใช่จะเพิ่มมามีขึ้นมานหลังทำให้ตื่นเป็นบ้ากันตทำไมถึงจะตื่นกับอะไรเพราะสิ่งใดก็มีเกิดมาพร้อมกันอยู่แล้วทุกอย่างเอาไม่เคยมีเคยเป็นเรากขาพอจะตื่นนี่มันก็เกิดก็มีกันอยู่ก็เข้าคุเข้ า, ข า, ข า, ขากันกัเสิ่งนี้มาตั้งแต่มันเกิดไม่ใช่จะตื่นตาอะไร หือกองไว้เขาปูเขาในวัาเงินเขากองมันก็กองอยู่นู่นเจ้าของก็ทุกข์ถึงจร่งเนี่ยนั่นไมเสียดายนี้จะเป็นหมายว่ารามีนั่นมี่พึงพายเธอนี่ยท่านันเอเยื่อหิงนีเท่าน้มันก็หลอกไปเานั้นเองมีนมีนี่มมั่งมีมีชุกมันมีอะไร มันจะลมอารมณ์มาหลอกอยู่ลปมปากแล้วตาแล้วไม่เห็นมีอะไรไปช่วยได้หรอลมหายใจมันก็ไม่เห็นช่วยโบราณจะตายถ้าขันยุติกัรนี้มันก็พังลงหดแล้วมัจะไปหาอะไรทีวิสีสวยยิงย่งกว่านี้อันนี้ติดพันกับตัวเองมันยังทางไปได้ที่เหินบ้างอะไรก็สิ้นีน้พูดจะชัดนี่ จะว่าบ้าก็ บ, บ้าเลเรานี่คนมันมมนสะทกสะท้านกับบ้าแบบนี้นี่อวะจะถึงกับเป็นวางง่ายเลยทำานจะเป็นจริงๆเหรอวะวเอาความจริงมาพูดเฮ้ยข้าเราเป็นบ้านี่ปุยสังขันติสักการูสักการ้ปุยสังขันติเวลา ขาวขาวไปเดินไปอยู่ในสถานไหนไปใช้กันไปทำไมยึดไปเอาไปยึดไปถือเปหมายไปแดกไปหามันทำมันหนักมัวใจทำไมยังเครื่งอ ง, งใช้เวลาเด็ตายก็มีรีบอะไรจะมาเป็นทิ่พิ่มได้ ถ้าไมมีสติปัญญาที่สั่งสมตัวม า, า, ากมจะของให้ให้พ้นไปแล้นมันก็ไม่นี่มีอะไรช่วยได้แต่สติปัญญานี้เอาว่างัันเลยนะสร้างให้พอยังไม่ตายมันกระลุเอาไม่พึ่งอะไรเลยอ้างว้งมันมันไม่พึ่งยังไงยิ่ถ้ามันพอที่งจะเอาอะไรมาพึ่งพึ่งอะไรนั่นเรียกว่าพอ อั น, นก็เพียงอ า, ายัยไปช่วยการหลานีถ้าคมันมีอยู่ถ้าคํามันมีความต้องการกับสิ่งหล่านนอยู่ชริง น, นี้ก็เป็นตัดใ จ, จเครื่อง อ, อุจจาระหนูมันไปไน้อยๆแต่ชนะไหมเดี๋ยวใช้เล่นอิ่มตัวตลอดเวลาเอาอะไรไปไปบกคล้องละ่ะใจที่รู้สึกเต็มตัวแล้วอินตัวตลอดเวลาไม่ว่าพอพอแล้วอะไรจะยิ่งกว่าเมืองพอหรือว่าใจพอตัว พิเศษเลิอดที่สุดก็คือพอพอเอาหลินอะไรมาแข่งไม่ได้คำว่าพอพอหมดอะไรไม่ยุ่งพอเน่ฟังดิ้งั่นหละความถูกสุ่มตรงนั้นอะ่ะพออะไรมาก็ไม่แบกไม่หามพอเน่เมื่อถึงขั้นเนี่ไม่บอกมันก็รู้เลยทันที่กูทันที่ทกูตั้งแต่ต้นจนมาทันสุด ทันทีที่กไม่ปล่อยตัวเลยลนะที่พลาดทีส่สาคัญจนเราสำเร็จนี่นั่อันนี้นสำเร็จมก็สําคัญถ้าสำเร็จจริงแล้วก็เลยไม่สําคัญเลยไม่ถามคุณตา ม, ามจะมาเฝ้าพระเจ้าเขาจะว่าจนสำเร็จแล้วมาเฝ้าพาระโยงรับสั่งให้เฝ้านอนไปรออยู่ซุ้มประตูพระเจ้าตรัส าพเานั้นมาให้เข้ามานว่าไล่ไปปาชาข้งเรานะให้ น, นุ่มไลปป่าชาเป็นพิจาราทราบก็ศพอันเก่าอันใหม่ตายเก่าตายใหม่พระเจก่อนตายนี้เม่เผาได้ฝังกันหรอกตามหลักคำพีมีอย่างนั้นสาหรับตำรามาตายเก่าตายใหม่าาไนนล่กันไปป่าชาแล้วก็เห็นสิ่งที่ควรตื่นเต้นก็ตื่นเต้น กินที่ควรกาหนดยินดีก็อย่างี้ินที่ควรหนัาเกียดก็เกลียดมึนแสดงนห้มันโอ้โหนี่ยังยังนั่นตรงที่กินนานจะทั่งสำเร็จเมื่อเวลาสาเร็จแล้วไม่เห็นอัุนถามบุเจ้าีไม่ปากฏแล้วว่าผ่าอนี้มาทุนถามบุญเจ้างที่ดีโคเต็มหัวใจแล้วถามไรมันเป็เี่ยมปัชาอยงเมื่อวันยังไม่ไดหลับเต็มภายในมันก็ต้องเอกข้างนอกมาเป็น พิ่งพิมพซะก่อนมี น, น้ำนั่นแล้วก่อนน้อมเข้ามาพอได้รักได้เกินภายในตัวเองแล้วก็มีนัยก็มีแต่กนระ่รยยาเนี่ยผีดิบในหัวใจของรากำหนดลงไปที่นี่น้งหอก็รดูกเหมือนกำหนดลงไปมันเป็นอะไรแล้วยังกระช่าอย่างนี้หนังเข้าไปแล้วมีอะไรนั้ยกระดูกมม่มีได้ไงคนทั้งขนนั้นดูที่นะ่ะเนื้อเองก็ดู ตับไตใช่คุ้งค้าหมาหางเก๋นเป็นยังไงศพมันสะอาดไหล่ะเนี่ยทุกคนเป็นประชา์ผดิบนีิแลวนอกจากนั้นไม่ซากศพซากซากศพอะไรจนจ น, น, นหินมเห็นตามความจริงแล้วคือธรรมชาติของจิตรู้นี่มั น, นก็มาใส่อันนี้แสดงว่ามันจนเกาะที่จริงมันธาตุขีดมันก็ต้องมาหลบมาซ่อนได้ี่ที่มันจนกกอกมันจนเกาะอะไรเพราะมันโง่ ที่น้าทั้งหลายมันกักบก็ตาไปหมดถึงจะอยู่ด้วยกันก็ไม่ติดกันอ๋อมันได้อยู่แล้วมันจไไําเป็นจะทําไงอยู่จะอยู่ด้วยความรู้ที่นี่ไม่ได้อยู่ด้วยความหลงไม่อยู่ด้วยความดีอาษ า, าๆๆๆมันไปเรื่อาา ย, ยเฉยท่านอาจ์เมื่อมันอาศัยกนไปเฉยไม่ยไม่ถึงเยอะใจมันก็ไม่สกรปรกตามสิ่งที่สกรปรกเี่สกรปรกแต่ร่างก า, ายใจไม่สกรปรกเนะ่ถ้าีจิตมั น, นยึดมังถือมันเป็นบ้านแล้วใจก็สกับปรกอันนั้นก็บประชา ชาฮีกิบใจก็เป็นปัจทีฮีดิบอีกมันก็แยกกันอย่างนั้นเอามันพอแล้วมันไม่ได้ซึมซาบเขาอะไรอะไรไม่ซึมซาบบ้างง่ายวันหนึ่งวันนี่ลองทำได้หน่อยนะถ้าทำไม่ได้ไี่ยิ่งจปัญญนย ก็คงจะเกี่ยวกับนุสมด้วยทั้งเดียวดูตอนเช้าชั้นเลยว่ามีวันไหนคนไปจะนหลังไหลมาไหลมาจนไปมดันไหเลยยิงวันที่ยื่นวสามวิสามเลยแล้วก็ยิงมากนะเพราะวันนี้เกี่ยวกับวันยามาราด้วยเต็มหมดละ กดตัยเลขไหนๆนะสงสารงอไปสภาพตัดของขนมันอดชีิตไม่ได้นะมันนั่งเป็นทั้ำมันในเขาจต่งไหนๆนี่นีมันนั่งหมุนน้ำมันตลอดเป็นหิวเป็นผลเป็นอัดเป็นถังไปอย่างนั้นมันหล่อเนะ่ยมันไปคนเดียวนี่ว่างเมื่อไหรเราไม่ได้ว่างลยเพราะงั้นใครมาที่ยุ่งยา่ามตามข้างหน้าข้างหลังเราจริงไม่ได้เราไม่ไม่เล่นด้วย